ก็ยวขอเล่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเป็นเครื่องประกอบพอตถิยามาเพิ่งได้ความรู้มาจากโยมเป็นก่อนโยมโยมขับรถโยมก็เล่าเรื่องเออเรื่องเล่าเรื่องพระเจ้าตักสินให้ก่อนีไม่เอ่ยนามเพรวัติยามาก็จะไม่ทราบอีกมุมหนึ่งโดยมากก็ทราบในมุมของประวัติศาสตร์แต่นี้เธอก็ยืนยนันว่าเป็นประวัติศาสตร์เพราะพ่อเป็นนักปรศาส์ ของจีนเน่ยนะไปได้ประวัติศาสตร์เชื่อมโยงระหว่างระหว่างไทยก็คือตอนที่พระเจ้าตักสินได้ขึ้นของลาเป็เมื่อปราบอลรีลาศัตรูเสเร็จก็สถาปนาขึ้นเป็นทีนี้ตอนนั้นท่านก็ถวายแผ่นดินถวายทั้งแผ่นดิน เ, นเป็นพุทธบูชาแล้ว ถ้าหากทางภาคใต้ก็ไปถึงการันตันการันตนูถึงมะละกาทางเหนือก็สิบสองปันนาสิบสองจื่อไทยทางเวียนจันทางอะไรต่างก็กินไปหมดแลทั้งน้เสียมลาดพระาพระตะบองก็ไปนองพูดถึงเชี่ยมั้ยในยุคนั้นท่านก็น้อมถวายเป็นพุทธบูชาที่ก่าวไวนิสลาจาลึกนั่นแหละอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกยากู้ชาติศาสนา ถวายแผ่นดินนี้ไว้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาส ม, มาณะพระโคดกนี่แปลว่าชัดแล้วนะพื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วของประเทศไทยแปลว่าท่านน้อมถวายเป็นพุทธบูชาทีนี้ท่านท่านก็มีท่านเป็นคนจีนใช่ไหมเชื้อเชื้อท่านเน่ยเชื้อสายท่านเป็นจีนในหมู่บ้านของชาวจีนที่เป็นเครือญาติของ ท, ท่านก็ทราบขา่าว ว่าเออญาติเราได้เป็นใหญ่แล้วก็พากันลงเรือมาหลายสิบลำเดือใหญ่เนี่ยเนะที่จะมาพึ่งใบบุญก็มาไปเสร็จก็ขึ้นมาประเทศไทยก็เดินทางก็เป็นแลมเดือนนะขึ้นมาเบเสร็จก็เข้าไปหาท่านก็บอกกับญาติท่านคงมองเห็นว่ามันจะเป็นความวุ่นวายใช่ท่านก็บอกไม่ได้แล้ว พอพื้นแผ่นดินเนี่ยถวายแด่พระพุทธเจ้าไว้เรียบร้ <c oughs> อยแล้วป้องกันได้ด้วยนนเนี่ยถวายญาติก็โอ้โหทำไมเป็นเยี่ยเนี่ยเม่สก็ให้กลับท่านก็บอกเอเดินทางไปเดี๋ยวไม่มีอาหารกินท่นเดี๋ยวเดี๋ยวมอบเอเนี่ยผักกาศดองให้ไปก็แล้วกันก็บรรจุใส่ไหให้เต็มเยอะๆไปเลยใส่เรือปะอันนี้ประวัติที่ฟังมานเนี่ย เมสศรก็เดินทางไปก็โกรธใหญ่เลยโอ้โหแค่มาขออาศัยพื้นเป็นดินอยู่แล้วโดนให้กลับไปแล้วเนี่ยเป็นญาติหรือจากกันแท้เดียวกั น, นแท้ๆอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเนเพราะโกรธแต่ละทีก็จับหายทุ่มลงน้ำ <c oughs> โกรธจัดน้าเขาน้าเขาหิวบอกก็กินไปโกรธไปน้ำหนีไปเนี่ยนะเอาล้วงไปข้างในเอาเป็นทองขึ้นก็เลยเป็นประวัติ ทีนี้อยู่ต่อมาก็เลยเป็นประวัติว่าคนจีนยังยกมือหน่อยที่ที่ใครมีเชื้อของจี น, นอยอโอ้โหเยอะเลยท่านพูดให้ดีหน่อยเดี๋ยวคนจีนไม่ให้กล่าวมาไม่มีพวกกันให้พูดอย่างนี้ <c oughs> คนจีนเนี่ยเวลาจะมามาประเทศไทยเนี่ยเขาจะต้องสอนลูกสอนหลานว่า ภาษาจีนว่าไงเนี่ยหนี่แปลว่าพระพุทธเจ้าตีนี่แปลว่าแผ่นดินฉะนั้นถ้าจะมาประเทศไทยนี้คือแผ่นดินของหตีก็แปลเป็นแผ่นดินของพระพุทธเจ้าฉะนั้นมเมือเมื่อมาเหยียบพื้นแผ่นดินไทยในการทําหามาหากินแล้วอย่าทําชั่วบนพื้นแผ่นดินของพระพุทธเจ้า ถ้ามาทําชั่วบนผืนแผ่นดินของพระพุทธเจ้าแล้วจักทำมาหากินไม่ขึ้นเขาก็จะสอนลูกสอนหลานกันอย่างนี้มานี่นะนี่หมายถึงกลุ่มที่เชื่อสายที่ ท, ที่รู้มุมประวะัติศาสตร์ในมุมนี้อันนี้เขาก็มีการบันทึกเอาไว้ด้วยก็มีประวะัติศาสตร์เขียนอย่างนั้นด้วยที่จีนว่าอันนี้คือแผ่นดินของพระพุทธเจ้าภาษาจีนก็เรียกว่าหกตี เนี่ยฟังแล้วก็น่าชื่นใจทีนี้ประเด็นก็คือว่าแม่ชีก็อึดอัดขัดเคืองเรื่องว่าบ้านขายไม่ได้ก็ขายเป็นดินกันเป็นว่าเป็นสันก็ขายใช่ไหมเปลี่ยนโฉนดกันไม่รู้มากี่ลายต่อกี่ลายแล้วแต่ประเด็นอยู่ตรงไหนอย่าลืมนะคำว่าบ้านก็คือสมมุตินะใช่ไหม พื้นแผ่นดินทั้งหลายเหล่านี้ก็สืบทอดกันมาเราใช้แบบในฐานะผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์แต่ไม่ใช่เป็นผู้เจ้าของได้ไหมใช่ไหมเพราะต้องมีสิทธิตามตามกฎหมายของบ้านเมืองว่าใครอยู่หน้าที่ตรงไหนอย่างไรถ้าอย่างนั้นมันจะลุกพื้นที่มันจะมีปัญหา เพื่อจะได้อยู่กันแบบเป็นสังคมที่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแม้จะมีการซื้อขายต่างๆเหล่านี้ก็คือขายสิทธิ์เงินทองที่ได้มานะเพื่อนน้อมในการจะสละอยู่แล้วใช่ไเลี้ยงตนเองก็เป็นบางส่วนเล็กน้อยนอกกนั้นก็คือจะให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้ปู่ให้ย่าให้ตาให้ยายถวายบูชาพระรัตนตรยัย ก็เดินตามทานกุศลศีลกุศลเดินตามจารีศีลวารีศีลที่พระศาสดาบอกไว้นั่นแหละเพราะพระศาสดาเนี่ยเกิดมาทุกชาติที่สร้างบารมีพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตอนเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยทรยบที่มีพึงมีเพื่ออุปการะของบุคคลอื่นเท่านั้นอวัยวะที่มีตั้งแต่ผมยันเท้าเนี่ยนะ ท่านก็มีไว้เพื่ออุปการะแก่สัตว์อื่นโดยแท้ชีวิตที่มีก็มีเพียงเพื่ออุปการะสัตว์อื่นโดยแท้ดังั้นใครจะเอาผืนแผ่นดินเอาทรัพย์สมบัติของพระองค์ไปใช้เอาลวิญญาไปใช้แม้เอาชีวิตของพระองค์เนี่ยไปทําประโยชน์ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยพระองค์จะทําประดุดดังต้นไม้ที่เป็นยาเป็นต้นไม้ที่เป็นยา ฉะนั้นเวลาเราใช้สอยของพระพุทธเจ้าที่เราน้อมถวายน้อมสักการะบูชาแล้วเนี่ยเราน้อมเห็นคุณพระพุทธเจ้าปรารถนาให้เรารู้มีกระตัญญยูคือรู้คุณกระตะเวทีคือการตอบแทนคุณตอบแทนคุณของพระพุทธเจ้าตอบแทนคุณของบุญไงที่เราได้มีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์พบคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้ามองในลักษณะอย่างนี้จะพอชื่นใจได้ไหมว่า เราไม่ได้ไปขโมยหรือเราไม่ได้ไปทำผิดต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าอะไรเลยมองงนี้พอจะชัดไหมหรือยังไม่ชัดเจนงั้นจะได้อบบมาให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปใช่ไหมเพราะว่าเป้าหมายวัตถุประสงค์ก็เพื่อการไม่ติดข้องในวัตถุสิ้นของเหล่านี้ถ้าเขาถามว่า แล้วไอ้ที่ถวายถวายจริงหรือเปล่าก็ต้องย้อนถามว่าคุณเป็นพุทธหรือเปล่าแล้วคุณนับถือพุทธศาสนาคุณได้ทําวัดสวดมนต์ไหมบอกทำอ่าบอกว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระเจ้าคุณท่องทุกวนันไหมอ่าท่องก็ผมยันเล็บนี่นะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้ามหัวใจตายปเป็นต้นคุณยังกล้าถวายพระเจ้า แม่รูปปชีวตนามาชีวิตคุณยังกล้าถวายพระเจ้าแล้วสมบัติภายนอกคุณห่วงไว้ให้ใครก็วถวายไปเลยได้ดีไหมเพราะยังไงก็มอบกายถวายชีวิตไปแล้วถ้าตอนนั้นไม่รู้ก็มันตกกระใดพล อ, อยโจนไปแล้ว <c oughs> อันนั้นพูดเล่นแต่จริงๆก็คือว่าถวายไปเถอะก็ขนาดเรามอบกายถวายชีวิต ย, ยังยึดโยงอยู่ขนาดนี้ ยังไม่ค่อยได้สละอะไรจริงๆไงเพราะจิตที่คิดจกให้จริงๆเนี่ยไม่ค่อยท่องแท้เท่าไหร่ขนาดคิดจะให้ขนาดนี้ใจยังพยายามดื้อกลับเลยใช่ไหมเอาแต่ข้อท้่จริงเป็นแบบนั้นไหมจิตไม่ยอมอ่ะให้เสร็จเน่ยใครมาว่านิดหน่อยก็ไม่ได้ก็โกรธเขาทั้งๆที่แต่วายพุทธเจ้าไปแล้วนี่นะ เอาแล้วไหนทําวัด ส, สวดมนต์ไปแล้วบอกเขาส่วดภาษาบาลีก็ไม่รู้เรื่องบางคนก็ทําแบลงออกอย่างนี้ก็ยังมีเยอะเลยสรุปก็คือว่าเรามอบกายถวายชีวิตแด่ ب, พ, ดดพระเจ้าแด่พระธรรมแด่พระสงฆ์แล้วสิ่งของทั้งหลายสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหลายก็น้อมสละเลยได้ไหมยังมาวัดได้ไมไ่ได้ได้แล้วก็แล้วว่างไงลูกๆยังให้ได้ยังให้แล้วนี่ย แล้ยังโกรธอยู่ไหมถ้าลูกจะมาทำหนีเราถ้ามาชมเรายังชื่นใจอยู่ไหมอย่างนี้แปลว่าเราสละแล้วอาจารย์เจ้าค่ะถ้าเราสละหมดแล้วอย่างที่ท่านพระอาจารย์กรุณานแนะนําเนี่ยคะ่ะแล้วมีคนเขารู้อะค่ะเขาก็จะมาขอ <laughs> <laughs> <laughs> เราจะทํำยังไงคะเพราะทรัพย์พนี้เราก็ยังจะต้องใช้เลี้ยงตัว กิไปขอพระพุทธเจ้าหเหมือนพระเจ้าตาเราก็บอกว่าบอกอย่างพระพุทธเจ้ายังพระเจ้าเป็นดินได้ไ้มบอกว่าไม่ได้แล้วเพราะทมเพราะพื้นเป็นดินนี้ถาวายพระพุทธเจ้าไปแล้ว ที่ตรงนี้ก็อย่างที่ได้กล่าวไว้ว่าเป้าหมายการสละเราท่านทั้งหลายนั้นเพื่อเป้าหมายในการไม่ยึดติดในสิ่งเหล่านั้นเพราะการน้อมถวายถ้าอย่างนี้นะว่าถ้ามีใครสักคนใดคนหนึ่งลุกขึ้นมาตอนเนี้เขาถามว่าเม่ชีทําว่าสวดมนตมอบกายถวายชีวิตกรมพระเจ้าใช่ไหมทั้งนั้นชีวิตของเม่ชีนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอจัดการหน่อยได้ไหมไจะทําไงใช่ไหมขอได้ไหมชีวิตเนี้ย เราก็ขอได้งั้นไปเป็นขี้ค่าหน่อยสิอย่างเงี้ยก็เกิดเป็นเรื่องยาวเลยะมถึงบอกว่าจริงๆในการสละตรงนั้นเราน้อมสละเพื่อบูชาเพื่อบูชานถามว่าเราสละให้จริงๆไม่ให้ให้ในฐานะไหนให้ในฐานะไปต่อไปจากเดินตามคาสอนของพุทธเจ้าแบบไม่ผิดเพี้ยนคือสละถวายพระพุทธเจ้าแล้วเพื่ออะไรเพื่อจะไม่เป็นทาตของกิเลสแต่จะไปเป็นทาของพระพุทธเจ้า เพราะราคาโทสะโมหะเนี่ยมันให้ความโหดร้ายมันบังคับเราแบบไม่เคยปานีเราเลยฉะนั้นเมื่อเราไปเป็นทาตของพระเจ้าเสียได้ปลดเครื่องพนากานจากการเป็นทาตของกิเลสเมื่อเราไม่ต้องเป็นทาตของกิเลสเรามาเป็นทาตของพระเจ้าเสียเชื่อว่าเราได้ที่พึ่งหรื อ, อยังเป็นที่พึ่งอันกเกษมด้วยเป็นที่พึ่งอันประณีสูงสุดด้วยเพราะอาศัยที่พึ่งเหล่านี้ได้แล้วเนี่ย เราจะหลบภัยจากกิเลสคือราคะโทสะโมหะได้เมื่อเราหลบภัยจากกิเลสคือราคะโทสะโมหะแล้วเราก็ไม่ต้องไปประสบชาติทุกขชราทุกพยาทุก์มรณะทุกแล้วก็ไม่ต้องไปประสบความโศกความร่ําไรล่าพันนี่เป็นอย่างนี้เป้าหมายคือต้องการเจะะราคะโทสะโมหะคือมุมนี้นะที่เราถึงสละแต่ไม่ใช่สละแบบว่าไม่ได้ให้จริง ใจเราให้ใจเราน้อมที่จะให้แต่ณวันนี้เนี่ยนะเมื่อเราสละเราให้แล้วเนี่ยเราก็ยังใช้ของที่มันเป็นอยู่ก็เหมือนพื้นแผ่นดินที่เราอยู่เราเหยียบเรายา่อมแล้วเราก็ใช้สอยกันมาจนทุกวันเนี้ยซึ่งก็เพราะถามว่าการให้นั้นผู้ให้เขาได้บุญแต่ผู้มายึดติดต่างหากที่ไม่ได้บุญผู้มายึดถือกับกายไม่ได้บุญที่สนจริงก็มาได้บาปจากพื้นแผ่นดินที่คนฉลาดเขาได้บุญเนี้ย ฉะนั้นเราก็มาสละให้มันเป็นบุญในใจเราได้ไหมทํากายสุจริตวจีสุจริตแล้วก็มโนสุจริตให้เกิดขึ้นเสียถ้าอย่างนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีงามใช่ไหมทีนี้เมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์หมิ่มน่าพูดในเรื่องการปฏิบัติเนี่ยถ้าถามบอกว่าเดินปฏิบัติเบดเสร็จอย่างนี้ในกรณีการทานกุศลศีลกุศลเอาถ้าเราจัมานั่งสงบจะทำยังไง เป้าหมายทั้งหมดที่การให้ทานรักษาศีลที่กระทําในชีวิตประจำวันแต่ในมุมสงบนั้นจำเป็นต้องทํนะไม่ใช่ไมย่ยาเป็นเช่นเช่นมานั่งอยู่สงบณอาสนะใดอาสนะหนึ่งใช่ไหมจะนั่งขัดสมาธิอย่างไรหลับตาตามรูปแบบทําได้ไม่ได้ก็ย้อนละลึกละลึกถึงอะไรถ้าลึกถึงทานกุศลก็ลึกถึงเจตนาทานที่เคยสละไป อะไรที่มันประทับใจที่สุดไล่เลียงในความทรงจํานึกไม่ออกจดเขาว่าให้ก่อนเอามาดูให้เด่นอันนี้เด่นเราจะเอาเป็นอารมณ์กรรมฐานแล้วฉะนั้นทานกุศลในอดีตสามารถเอามาลึกเป็นจาคานุสตไไิได้ไหมได้ไม่ได้ทีนี้ทานกุศลที่จะทําในอนาคตที่ได้ปุพาเจตนาที่กําลังก่อเกิดให้เป็นไปอยู่ที่เป็นไปกระสมอนัสเอามาลึกให้เป็นจารานุสตไไิได้ไหมได้ไม่ได้ และปัจจุบันที่กําลังกระทําอยู่ที่เราสละอยู่ในขณนะนั้นเอามาเป็นระลึกระลึกกรรมฐานเป็นอารมณ์กรรมฐานได้ไหมสรุปแล้วจาการนุสติทั้งในอดีต ท, ทั้งในอนาคตที่จะเกิดวัตถุที่จะดําเนินไปแล้วทําปุพพาเจตนาให้เกิดขึ้นน้อมวัตถุในอนาคตด้วยและที่เป็นไปในปัจจุบันสามารถอะไรที่เด่นชัดในใจเอามาระลึกได้หลับตาย้อนระลึกได้อย่างต่อเนื่องเลยนั่นระลึกถึงจาคานุสติเหล่านั้นแหละ สติที่เราลึกถึงการสละการให้การบริจาคลองนึกดูทีว่าตอนที่เรานั่งนะ่ขนาเนี้ยอะไรที่เราให้ไปแล้วเนี่ยมันชื่นใจมากที่สุดมีไหมมีไม่มีถ้าเกิดมาอายุ ป, ปูนนี้แล้วนี่เนี่ยไม่เคยให้อะไรที่ประทับใจเลยเป็นเรื่องน่าคิดนะน่าคิดมากมากเลยเพราะเป็นวัตถุทานเนี่ยน่าจะเคยสักชิ้นหนึ่งใช่ั้ย ที่เคยให้แล้วรู้สึกว่าเด่นชัดในอารมณ์มากประทับใจมากๆเลยถ้าไม่มีเลยอันนี้ชักมีปัญหานิด ๆ, นดๆนนเนี้ยเป็นเพราะอะไรจะมาเราเคยบูชาพระเจ้าครั้งไหนที่ยังความปีติปลาโมทให้เกิดได้ดีที่สุดหรือให้ทานเรื่องอะไรเคยสร้างพระเจดียเคยสร้างพระพุทธรูปอะไรก็แล้วแต่เหอะ เคยถวายพระไตรปิอกเคยเจริญทานกุศลเคยตักบาตรเป็นเนืองนิดอะไรก็แล้วแต่นี่ถามว่ามุมกุศลต่างๆที่เป็นไปกระทานกุศลก็ขนาดทานกุศลนี่ถือว่าหยาบสุดไหมหยาบมากๆน่ะเป็นกุศลเบื้องต้นเดิมไปแล้วยังนึกไม่ออกยังคิดไม่ได้ยังจําไม่ได้แล้วนี่เป็นเรื่องน่าคิด <c oughs> น่าคิดอะไรอยู่มั้งอ้าได้ทุกคนไหม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 ปรากฏเด่นชัดในขณนะนั้นได้อันนี้แปลว่าประทับตาตรึงใจแล้วนั่นแหละเอามาหมุนให้เป็นอนุสติได้แล้วลองคิดถึงในชั้นศีลที่เอาสูงกว่าไม้ืึ้นมาอีกใครเคยรักษาอุโบโสถศีลมากี่ครั้งเอาเลยสตนี้แล้วรักษานี่ะเคย ประทับใจชื่นใจมีไหมลองดูดูสิตั้งแต่ปาณาติบาตการงดเว้นจากการฆ่า ง, งดเว้นจากการลักงดเว้นจากการประพฤดผิดในกลามงดเว้นจากการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจอ้องดเว้นจากการดื่มสุรามีอะไรงดเว้นจากการกินอาหารในเวลาวิการบางคนเป็นวุ่นวายกับเรื่องการกินอยู่ในอะไรใช่ไหมมีเข่งอยู่ข้อเดียวอ่ะบางคนเคยสังเกตุไหม ทุกข้อเนี่ยโอ้โหเป็นห่วงเหลือเกินเรื่องข้อกินแล้วข้ออื่นเฉยๆเรื่องประหลาดมากสินแปดเลเนะเออวิกาลโภชนะนี่ดูเอาจริงเอาจังเหลือเกินนู่จะถึงเวลาแล้วนะอะไรเนี่ยนะช <costing> คยไหมแต่ว่าข้ออื่นเนี่ยบางทีเนี่โอ้โหยโดยเฉพาะข้อทางวาจาด้วยแล้ ว, ลวบ่นเช้าบน่นเย็นแล้วอุบัติเหตุเสียชิตเคยสังเกตไหมนัม่เป็นเพราะอะไรอ๋อ ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะศีลเนี่ยศีลก็ดูแลพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายและทางวาจาใช่ไมยกบางทีออามายังบอกว่าต้องมาไล่กันใหม่ไหมศีลเนี่ยเรามาเดินเลินลุยเรียนกันดูจริงๆไหมแล้วเราจะรู้ว่าเราเราจเจริญศีลกันถูกหรือไม่ถูกเราจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวพุทธเนี่ยนะเดินศีลกันไม่ใช่ทั้งหมดนะคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยจเจริญศีลกันไม่ค่อยถูก ไม่ถึงถึงไม่ปลิ่มใจไงเคยขนลุกขนชันน้ำตาล่วงเลย ค, คิดถึงศีลทีไรนะโหปีติปาโมทเกิดขึ้นมามากๆเลยชื่นใจมากๆว่ากุศลศีลนี่เป็นไปกับมหากุศลใช่ไหมเป็นสมนัตอุเบกขาเขาก็เป็นไปอย่างความสดชื่นนะเป็นอย่างนี้พ เกี่ยวกันในเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมในใจเขาเห็นอะไรอ่ะเขาเห็นอา น, นิสงส์ของการมีศีลโทษของการทุศีลนะจะเห็นทุกข้อเลยนะฉะนั้นตัวศีลตัวกุศษษษลศีลศีล8ดเนี่ยศีลแดศีลอุโบสถศีลเนนะี่ยเออในชั้นของคําสอนเนะนี่ยในอโบสถสูตรเป็นต้นเหล่านี้เนะีที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงถามเออที่ ที่พระเจ้าถามอุบาสกอ่ะบอกว่าเธอรักษาอุโบสถศษษษษีลกันบ้างไหมบอกบางครั้งก็รักษาบางครั้งก็ไม่รักษาพระเจ้าบอกว่าเดือนหนึ่งมีวัวสถกี่ครั้งสี่ครั้งเท่านั้นทําไมรักไม่ยักษาทําไมประมาทมัวเมาจังจะไปบอกว่าไม่ว่างก็ดูกะไรจังนะเพราะจริงๆอันนี้สงยิ่งใหญ่มากอันนี้สงถามว่าจักระพัดดีราดทั้งหลายเหล่านั้นนมาจะอุโบสถศษษษษีลนะ คนที่ได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิทั้งหลายเหล่าเนี้ไม่อยากลิ้มลองสมบัติของกษัตริยจักรพรรดิสมบัติบางหรืออย่างเนี้ยของเรากุศลที่เป็นกุศลที่ธรรมดานะเนี่ยที่เราเดินมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่เป็นกุศลที่เป็นกุศลไม่ใช่มาจากอุโบสถศรีนเนี่ยยังดูหน้าตายังพอดูได้ขนาดเนี้ยลองมาจากอุโบสถศรีนะ่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหน เราเนี่ยมาจากกุศลราศีนะความเป็นมนุษย์เนี่ยแต่เป็นกุศลรศีระดับล่างๆลงมาทั้งนั้นเลยเนี่ยฉะนั้นผลเนี่ยยิ่งใหญ่มากอันนี้ผมองแค่ผลของศีลเนี่ยนะเพราะความสมบูรณ์เนี่ยพบชาติเนี่ยสมบูรณ์จริงๆก็คือจักระพัฒสมบัติสักกาสมบัติมารสมบัติพรมสมบัติเนเห็นไหมความยิ่งใหญ่ของกุศลรศีทั้งหลายเป็นอย่างนี้ แล้วก็เป็นปัจจัยเก่ับความสิ้นพบชาติคนที่บรรลุธรรมทั้งหลายเนี่ยล้วนมีศีลกันทั้งนั้นเลยเออสักครู่ที่มีโยมถามก่อนหน้านั้นใช่ไหมเออที่เข้าไปถามข้างในถามมาถามวา่ากลับไปยังไม่รู้ที่ยอมถามบอกว่าเออทําไมคนบางคนเกิดมาเนี่ยนะบางคนก็รูปร่างหน้าตาดีบางคนก็ไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้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 คือทำให้กุศลเกิอดอย่างต่อเนื่องได้จริงๆและเมื่อจะหลีกเล่นไปอยู่นักคนเดียวแล้วก็เอากุศลเหล่านั้นมาเจริญการการนึกถึงทานกุศลเนี่ยเป็นอนุสติข้อนไหนจาคานุสติใช่ไถ้าเอาศีลมาลเลืกก็เป็นศีลานุสติจาคานุสติศีลานุสติเนี่ยกะทรรมานุสติเนี่ยต่างกันตรงไหน ต่างตรงไหนเจตนาทานที่เป็นใบรรกุศลใช่พระธรรมไหมใช่พระธรรมหรือเปล่าเจตนาศีลทั้งหลายเจตสิกศีลทั้งหลายใช่ธรรมใช่พระธรรมไหมเห็นไหมเนี่ยจริงก็คือมุมเอาพระธรรมมาระลึกนั่นเองแต่แยกแยกหมวดธรรมว่าอันนี้เป็นหมวดทานอันนี้เป็นหมวดศีลเป็นต้น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 ในชีวิตจริงๆเนี่ยนะหรือหรือการแนะนําอย่างเนี้ยเป็นการเป็นการพูดพูดเสร็จเพื่อให้จบจบเบ็ดเสร็จแล้วก็ทํากิจกรรมเหมือนเดิมอย่างที่เราเคยเป็นมาในชีวิตหรือมันเอาไประลึกได้จริงๆริงไหมแบบที่พูดเนี่ยได้จริงๆริงไหแล้วแล้วจริงๆในชีวิตทํำไหมบ่อยไหม ลองดูตัวอย่างหน่อยว่าเจริญยังไงเนี่ยลองดูนะแล้วใครที่มีมุมในการสเสดินเจริญทานกุศลที่ฟังแล้วจะได้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและแก่ผู้ฟังด้วยขอฟังหน่อยจะได้ไปเป็นตัวอย่างในการเจริญบ้าง ก็ต้องกราบขออนุญาตพระอาจารย์นะคะต้องขอออกตัวนะคะเป็นผู้ใหม่นะคะในการเข้ามาศึกษาธรรมก็การเจริญทานศีลนะคะก็มีเจตนานะคะที่จะกระทําการให้ทานเนี่ยที่เป็นกุศลดำเนินการให้ทานของตัวเองมาโดยตลอดในการบริจาคทานบริษัทตัวเองเนี่ยเพื่อเป็นทานกุศลให้กับพระบนมบา ศ, าศาสดานะธุรกิจของตัวเองเนี่ยก็ ทุกอย่างก็ทำด้วยเจตนาที่เป็นกุศลแล้วเป็นเป็นการที่สละให้นะก็บุคคลที่อยู่ในธุรกิจทุกคนปัสแจา ก, การเบียดเบียนกันทุกครั้งก็สมาทานว่าเราเป็นผู้ผู้อื่นเป็นผู้เบียดเบียนหรือกระทาเบียดเบียนกับเราเราจะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็สมาทานศีลอยู่สม่าเสมอนะคะในส่วนของการทำสื่อทําเนี่ย ก็ทุกครั้งที่ทำเนี่ยก็มีความรู้สึกที่ตั้งเจตนานะฮะที่จะปรุงแต่งจิตตัวเองเพื่อจะเป็นการกระทาเพื่อเป็นทานกุศลอันแท้จริงในบางครั้งเนี่ยก็จะมีอกสนแทรกเข้ามาบ้างนะคะก็ต้องพยายามเรียนรู้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าอ ก, กุศลเนี่ย ก, ก็เข้ามาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอันเนื่องจากเราเนี่ยอยู่กับหมู่คณะ ก็ทุกครั้งที่ที่ทำสื่อธรรมะทําหนังสือแจกหรือว่าในการให้ทานอื่นๆก็มีเจตนานะฮะว่าเราได้ทําธรรมะอันเป็นธรรมะที่พระพุทธองค์ท่านได้ได้เมตตาสั่งสอนพวกเราทุกคนดังนั้นเนี่ยก็เป็นทานอันอันที่ประเสริฐมากแล้วก็บางท่านก็ไม่ไม่ได้รับโอกาสนี้การที่เราได้มีโอกาสกระทําทานอันนี้เนี่ย ก็เป็นเจตนา ท, ที่ดีแล้วเป็นการเสียสละก็เสียสละความตันหนีของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ส่วนตัวแล้วก็เพื่อเพื่อให้กับผู้อื่นโดยที่ไม่คาดหวังที่จะได้รับสิ่งอื่นตอบแทนมาไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการยอมรับในสังคมนะหรือว่าการการที่ได้เดินทางไปในการทำงานก็ต้องเป็นผู้ที่เสียสละ ค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้อภัยผู้อื่นบางครั้งอาจจะมีความกระทบกระทั่งกันแล้วก็การอภัยทานนี้นะคะเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าการมองเห็นดอกไม้ ส, สวยๆนะคะหรือว่าการได้ได้ได้กลิ่นสัมผัสที่หอมหวนนะก็ก็มอบถวายพระพุทธเจ้านะคะอันเนื่องจากเราเราพิจารณาเห็นว่าการมองของเราเนี่ยก็ได้มาจากกรรมที่เราได้ทำไว ดังนั้นเนี่ยก็ไม่ไม่เปิดโอกาสให้อกุศลเข้ามาแทรกใจที่ที่จะให้เราเนี่ยอยู่ในอกุศสและจิตก็ปรุงแต่งจิต น, นะคะตามที่พระอาจารย์ได้แนะนำก็ก็ทําให้ จ, จิตใ จ, จเจริญกุศลอยู่ต่อนเนื่องนะรวมทั้งเราก็ต้องรู้จักที่จะไขครวัวแล้วก็คบหาผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรนะคะแล้วก็ไม่พบคนพาล น, นะนะคะก็ไม่ไม่เปิดโอกาสให้อกุศลเข้ามาแทรกใจ ก็ทุกๆทุกๆวันนะนะไม่ว่าจะการตอนเช้าตื่นมาก็ถวายน้ำพระนะคะก็ปรุงแต่งจิตว่าการให้การให้น้ำนี้ข้าพเจ้าขอมอบให้กับความล้างซึ่งความร้อนของโทสะโมหะเพื่อให้ใจของข้าพเจ้าเนี่ยนะคะมีโอกาสได้ทำกุศลก็ขอมอบถวายท่า น, นะะแล้วทุกครั้งที่เราจะมีการรักบฉันหรือว่าทานอาหารหรือว่า ถิ่งใดนะคะก็ต้องเป็นผู้ให้ทานก่อนสม่ําเสมอทุกวันอันนี้ก็เป็นการที่เราได้ฝึกกันนะคะแต่ว่าก็ก็ก็เป็นแค่คําแนะนําเล็กๆน้อย ๆ, ๆสาหรับผู้เริ่มผู้เริ่มต้นก็ก็เพียงเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเล็กๆน้อยๆคะ่ะขอบคุณค่ะแล้วแล้วแต่ก่อนปฏิบัติแบบนี้หรือไม่คือแต่แต่ก่อนเนี่ยเป็นผู้ที่ก็ศึกษานะคะอาจารย์แต่ว่าก็เข้าใจว่า ได้เข้าไปปฏิบัติในลักษณะสมถะมาเมื่อเมื่อจิตเนี่ยเกิดสมถะแล้วก็มีความสุขสงบอย่างมากเลยชวนทุกคนนะนะฮะก็ไปไปภาวนาในลันกษณะของที่เราทําก็ทําบริกรรมจิตก็สงบมากมีความสุขมากเพราะเนื่องจากเราอยู่ในทางโลกก็เจอแต่ความทุกข์ไม่ว่าจะทางทางธุรกิจหรือว่าในทางส่วนตัวก็ตาม เมื่อเมื่อจิตใจไปอยู่ในในสมถะก็มีความสุขอย่างมากมีใครพูดถึงพันิพาณเนี่ยก็กลัวกๆนะฮะกลัวกลัวจะไปเจอเพราะตอนนี้ก็สุขพอแล้วน่าจะพอได้แล้วบางทีใครบอกสุขทางนิพพานแล้วก็ยังเฉยๆอยู่เลยนะคะก็พอพอวพาเรารู้สึกนั่งสมาธิเราหมดไปเราก็ไปไปหาวิธีของเราอะคะ่ะก็มีฤาษีนะคะก็ฝึกรู้วิธีไหนวางจิตยังไงพิจารณางไงก็อีกเนี้ยคะ่ะ ก็มีความสุขอย่างนี้ไปวันวันหนึ่งพะวันหนึ่งได้เรียนนะคะได้ศึกษาที่ที่มาเรียนกับพระอาจารย์ก็รู้ว่าไอ้ความสุขที่เป็นตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เส้นทางสายกลางที่เราจะต้องเรียนรู้ก็การที่ได้มาศึกษาก็จะได้รู้ว่าเออความสุขมันก็ไม่ใช่ของที่เที่ยงแท้นักนะคะก็มาเรียนรู้ว่าความเป็นจริงอย่างนะะี้ค่ะท่านอาจารย์แล้วก็มีหลายๆกรรมฐานนะโยมพยายามหาจริษฐของตัวเองมานานแล้วนะคะสุดท้ายตอนนี้ก็ ก็คิดว่าพุทธานุสติกับจาคานุสติได้ผลเพราะว่าในส่วนของจาคานุสติรัตธรรมแล้วเนี่ยจะเห็นผลทันตาคือการให้ทานเนี่ยมันมีความสุขมหาศาลเลยนะคะแล้วมันก็ชุ่มชื่นใจเราอยู่ตลอดเวลาที่ราลึกถึงอยู่เสมอแล้วมันก็สะดวกค่ะเพราะว่ามันเป็นวัตถุนะคะการให้วัตถุทานเนี่ยมันง่าย นะครพอเราให้ไปเนี่ยก็ในทุกทั้ง3การนะนะคะก่อนให้นะคะขณะให้แล้วก็หลังให้แต่นิยมเป็นคนที่เป็นคนที่เร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการคายควรทำเนี่ยก่อนที่จะให้เนี่ยต้องคายควรนานๆก็หางานกุศล <c oughs> เช่นว่างานกรถิ่นมาธทำเพื่อว่าจะได้คายควรเป็นปีๆไว้ได้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่างานงานบุญที่ว่าจะมีกิจกรรมต่างๆที่จะต้องจัดเผื่อไว้สักสามเดือน5เดือน ก็จะมีเวลาใคร่ควรในกุศลอยู่ตลอดเวลานะคะเราะงั้นทุกครั้งก็วันๆันก็จะใคร่ควรว่าเออเราจะทํากิจกรรมอะไรเราจะแจกสื่อธรรมะอะไรเราจะจัดหาอะไรเราจะดูแลพระคุณเจ้าอย่างไรเราจะทําอย่างไรให้ให้ได้กุศลนะคะวางจิตวางใจอย่างไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็เป็นวิธีนะคะท่านแต่แต่ก่อนหน้านี้ก็ ก, ก็ทําไม่เป็นค่ะ <laughs> เออแ ต, ตรงนี้แตวตรงนี้ขอ ขอสรุปประเด็นอีกคำว่าเมื่อกี้ที่โยมพูดเรื่องการไ้ปฏิบัติแล้วมันเกิดความสุขนี้เพื่อที่เกิดเกิดความสุขคือความสุขเนี่ยมันมีสุขในการสุขในการที่ได้อยู่กับตัวฐานะกุศลและติดเพราะไอ้ความสุขที่เกิดขึ้นตัวนั้นเน่เมื่อได้สละแล้วเนี่ยเป็นโสมะนะัส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 ต้องระวังตรงนี้แต่ยังเราที่เดินกันแล้วก็ระลึกอยู่ตลอดเนี่ยมันโดยส่วนใหญ่จะไม่เป็นถ้าเป็นเนี่ยจะเป็นลักษณะว่าให้พอให้เสเซ็ตก็มีโลภะเป็นบริวารแวดล้อมบางขุมก็ให้แล้วมีโทสะเป็นบริวารเละแวดล้อมให้ไปแล้วกลับมาหดหงิดพุง่งซ่านบางคนให้ไปแล้วก็มีโมหะเป็นบริวารแวดล้อม การสละการให้ท um, you ี่มีโลภะเป็นบริวารแวดล้อมโทสะเป็นบริวารแวดล้อมโมหะเป็นบริวารแวดล้อมการรักษาศีลก็ลักษณะอย่างเนี้ยรักษาศีลน่ยตัวเป็นกุศลศีลแต่ต่อมาก็มีโลภะเป็นบริวารแวดล้อมต่อมาก็มีโทสะเป็นบริวารแวดล้อมต่อมาก็มีโมหะเป็นบริวารแวดล้อมหรือการเอามาเดินเป็นภาวนาเอาทานศีลมาเดินเป็นภาวนามันก็ได้โลภะแวดล้อมกับโทสะแวดล้อมหรือโมหะเป็นบริวารแวดล้อม บุญประเภทนี้ถ้าตัวบุญให้ผลถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์จะกลายเป็นเป็นมนุษย์ที่มีโลภะมีโทสะมีโมหะเป็นบานหนาแน่นเนี่ยมันมันจะตามมาแบบนี้ต้องระวังว น, นิดหนึ่งต้องระวังเล่นหนึ่งฉะนั้นไอ้คาว่ารู้ชัดกุศลรู้ชัดกากุศลนี่สำคัญมากๆากเลยนั้นต้องเดินกุศลให้ได้ เหมือนที่บอกว่าไปปฏิบัติก ร, รมฐานที่พูดเนี่ยแล้วติดพอพูดถึงนิพพานมไม่เอาแล้วอันนั้นบ่งบอกถึงว่าเวทนาที่เป็นไปกับแค่สมาธิเล็กๆ น, น้อยๆเนี่ยนะบางกลุ่มได้แค่ขณิกาสมาธิที่เดินได้ยาวๆหน่อยบางกลุ่มสูงกว่านั้นหน่อยคือสามารถทำจนชำนาญเลยเข้าอุปจาระแค่เนี้ยแค่พื้นฐานตัวเนี้ยแล้วติดใหญ่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 เพราะเป็น เ, เป็นดนตรีที่มีแต่ดนตรีแล้วก็มีมีเสียงที่มันไพเราะมีความลึกซึ้งมากอ่ะเขาก็ใช้สติตามเขาฟังอย่างนั้นเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงใจเขาก็น้อมอยู่กับเสียงอย่างนั้นเขามีความสุขมากๆาชื่นใจมากมากก็ไปเล่าไปอยู่กับมานี่เ น, นอะอามาก็เลยบอกว่า <c oughs> นี่เราคือเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกตันหานี่คือเวทน า, าที่ไปยินดีในตัว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 บางคนไปติดรสชาติแล้วถีน้มิถานี่ก็ติดบางคนเนี่ยฟังทำแล้วติดติดถีน้มิถาคือฟังแล้วมันมันก็ได้ความสุขนะแต่ก็ได้เพลินๆไปงัน้นเลยว่าใครเป็นบ้างจิตที่หนักๆเราเป็นบ่อยไหมเป็นไ ม, ไม่เป็นไม่เป็นนะเช่นถ้าถามว่าติดโลภานี่ง่ายใช่ไหมถ้าถามว่าติดโทสะติดยังไง มันจะติดลักหนะบอกว่าโทสะของเราเนี่ยดีกว่าโทสะของคนอื่นเพราะโทสะของเราเนี่ยไม่เบียดเบียนใครอ่ะไปคิดอย่างนั้นนะบางคนก็โมห oh ะฉะนั้นไอ้กรณีในลักษณะอย่างเงี้ยทำไมเราแกะโลภะโทสะโมห oh ะออกยากมากเพราะ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 ต้องระฉันทลาคาในสุขนั้นให้ได้ต้องละความยินดีละความเพลิดเพลินในสุขเวทนานั้นซึ่งเราก็โอนไม่เอาแล้วจังกะรู้สึกมันให้ความสดชื่นนี่เราไม่ชอบโทสะแต่เราชอบสภาพใจที่มันสบายแบบนั้นตรงนี้ก็ไปแยกไปแยกแยะอเนะอันนี้พูดไปคนออกว่าเอ๊ะแล้วถ้าไม่เอาสุขตรงนี้แล้วเราก็ว้าเหวในชีวิตเนี่ย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 ไปเจอเวทนาในทุติยชานยิ่งสุขมากกว่านั้นอีกไปเจอเวทนาในตติยชานยิ่งสุขมากใหญ่เวทนาในจตุติชานโอ้โหสุขอย่างเหลือล้นพ้นประมาณนี่นะพอเวทนาในอากาสานัญจายัตนาวิญญาณัญจายัตนาอากิญจยายัตนาในเนวะสัญญาณาสัญญายัตนาละเอียดที่สุดละเอียดจนคนบางคนโอยออกไม่ไหวแล้วติดเลยที่สุดจริงๆก็ไม่สามารถก้าวล่วงจากชาติทุกชราทุกพยาธิทุกมาละนะทุกได้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 ในการเดินทางในกุศลเนี่ยให้ด้วยศรัทธาให้ด้วยความนอบน้อมใช่ไหมหลายครั้งมากที่เราเนี่ยให้ถูกกาลเวลาให้แบบอนุเคราะห์สลัสลักขาให้ไม่กระทบตนและบุคคลอื่นให้เนืองนิดให้ขณะให้ก็เลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจชื่นใจชื่นใจปลื้มใจต้องเป็นไปกับยานปัญญาใส่คําว่ายาณปัญญาไปด้วย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 ต้องสูงกว่านั้นถึงจะประดับตกแต่งจิตให้ละเอียดให้ประณีตกว่าเวทนาเหล่านั้นอันนี้เขาเรียกทำสมถะและวิปัสนาให้เป็นไปมันถึงจะได้คาว่าจิตตาลังกาลังจิตตาบริคขาลังนี่เขาเรียกประดับตกแต่งจิตใช่อะไรมาประดับตกแต่งจิตใช้สมถะใช้วิปัสนามาประดับตกแต่งจิตในทานศีลเป็นต้นเหล่านี้นี่คือการก้าวหน้าเดินพัฒนาสู่ความหลุดพ้น นี่ทานกุศลศีลกุศลเนี่ยใช่หลักปฏิบัติหรือไม่ใช่ใช่ไหมนี่เป็นหลักปฏิบัติโดยแท้เปลี่ยนมุมการปฏิบัติของชาวพุทธใหม่ดีไ้ย <laughs>